ทาสบายนะเมื่อกี้เราก็ได้สวดนะสวดมนต์าวัดเช้านะแล้วก็มีบทพิเศษที่เราได้สวดต่อก็คือบทนะการยญนมิตรก็อาศัยการั น, นมิตรหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะนะเป็นส่วนประกอบในการทำให้เราก็สามารถเข้าถึงธรรมะนะได้อย่างแท้จริงเลยนะส่วนประกอบเนี่ยไม่ใช่ว่า เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเราอาศัยส่วนประกอบทั้งหมดนะจากสิ่งแวดล้อมนะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เราพากายของเรามาอยู่ในสถานที่ที่มันสัะยะนะมีอากาศที่ดีนะนะมีอากาศที่สดชื่นนะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะอากาศไม่เป็นมนพิษนะอันนี้เรียกว่ามันมันเป็นสถานที่ที่สะดวก อยู่ในสถานที่ที่ที่สงบสงัดนะไม่วุ่นวายไม่เสียงดังนะไม่เรียกว่ากระตุ ก, กคึกครื้นนะอยู่ในสถานที่ที่สงบเนะี่ยก็เป็นทําให้เราก็สามารถที่จะตั้งจิตของเราให้สงบหรือว่าตั้งจิตให้เกิดความตั้งมั่นได้นะสถานที่ก็ดีเนาะอากาศก็ดีแล้วนะอาหารการกินก็ดีนะอาหารการกิน อย่างที่วัดนะแม่ตอนเราอยู่ที่บ้านเราจะทานอาหารสามมื้อนะ่ะเชา้ากลางวันเย็นแต่พอเรามาอยู่วัดระทานแค่สองมือ้อมันก็พออยู่ได้เนาะน่ะเราพออยู่ได้อาหารก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะทานมากไปก็เป็นทุกข์นะใช่ไห ม, มทานน้อยไปก็เป็นทุกข์อีกนะ่ะทานแต่พอดีพอดีนะ่ะเขาเรียกว่ารู้จักประมาณในการบริโภคเนะี่ ก็พอดีนะอาหารที่ไม่เป็นพิษอาหารที่เป็นประโยชน์เราทานอาหารเพื่อเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้นะเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อประปัดความหิวเพื่อไม่ทาให้ความหิวข้างใหม่เกิดขึ้นนะเร็วเกินไปบบ น, น, นะนะก็คือเราก็สัพยะนะอยู่ที่วัดเนี่ยอาหารการกินเนี่ยก็สัพยะนะครูบาจารย์นะก็สัพยะ มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนบางทีเราไปอยู่ป่าไปอยู่เขานะไปอยู่ที่โดกร้างภาวนาคนเดียวบางทีมันก็ถ้าคนที่มีเจดิตนิสัยยังไม่อิสรีไม่กล้าแข็งพอ ก, ก็เกิดความเรียกว่าโดดเดียเ่ยวเปี่ยวเหงาหรือว่าพอเจอปัญหาเจออุปสรรคก็อาจจะดงทิศผิดทางไปก็ได้นะ แต่พอเรามาอยู่ที่วัดนะมีมีครูบาอาจารย์เป็นกัณณมิตรมีเพื่อนนักปฏิบัติธรรมเป็นกัณยาณมิตรเนี่ยก็ทําทให้เราเกิดกําลังใจนะอย่างเรามาปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่มเนะี่ยก็มีกําลังใจนะบางทีเราก็แอบง่วงนอนแอบเบื่อนะแต่ก็มีมีเพื่อนที่ปฏิบัติอยู่ข้างๆมีคนเท่าคนแก่เขาเดินจงกรมเขายกมือสร้างจังหวะเราเห็นแล้วก็อื้ง เรายังหนุ่มยังสาวยังเป็นวัยกลางคนอยู่จะไปง่วงนอนจะไปแอบนอนได้อย่างไรนะบางครั้งเราก็ขี้เกียจขี้ค้านนะแต่ก็มีครูบาอาจารย์คอยกระตุ้นให้อยู่ในกรอบอยู่ในระบบระเบียบนะมันก็ทําให้เราเไม่อยากจะแแกบคอกไปนะเหมือนคลๆมีคอกมีกรอบให้เราเรียกว่าอยู่ในตรงนี้ไว้ก่อนนะ ภาพแบบคนที่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ช่วยเรามากนะในส่วนที่เป็นเป็นกฎเป็นระเบียบก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องของอเพื่อนฝูงที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันก็ดีหรือคําแนะนําคําสั่งสอนนะเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าเพื่อบอกอวิธีปฏิบัติก็ดีนะเป็นสิ่งที่เราก็ได้อาศัยพวกนี้เป็นกันนายมิตรนะ มีครูบาอาจารย์มีธรรมะที่ดีนะมีธรรมะที่ดีด้วยนะบางทีครูบาอาจารย์ดีนะแต่บางทีธรรมะไม่ตรงจะดิตกับผู้ปฏิบททัติธรรมมันก็มันก็บางทีก็ไม่ได้ผลก็มีนะแต่เราจะทำอะไรละ่ะเราถึงจะนะดูจกักรูจักเลือกเฟ้นนะอาศัยะธรรมความสั่งสอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเอามาปฏิบัติได้ในตัวของเราเองนะ อย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดสรุ้นะแล้วก็สั่งสอนนะท่านมีอายุในการสอนทำ45ปีนะ45พรรษานะมีพระไตรปิฎกเนี่ยเขาบอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าจะพูดง่ายๆพระธรรมขันธ์ก็คือ 84,000 เรื่องนะท่านสอนประมาณ 84,000 ครั้งอันนี้คือ อาจจะเท่าที่มีการรวบรวมนะในการรวบรวมจากพระวินัยก็ดีนะจากพระสูตรที่แสดงธรรมเป็นเรื่องเป็นราวก็ดีหรือว่าจากพระอภิธรรมที่แสดงโปรดพระมารดาที่บนสวรรค์ก็ดีนะแปดหมื่สี่พันหัวข้อนะทำไมมันมากขนาดนั้นนะมัมากขนาดนั้นเพราะว่าจดิตนิสัยนะของแต่ละคนมันแตกต่างกัน จดิตนิสัยเวลาท่านไปสอนเทวดาไปสอนพรมไปสอนนะสัตว์นรกอะไรต่างๆมันก็ต่างกันนะมันมีวิธีที่พระพุทธองค์ท่านท่านเลือกให้ตรงกับเจดิตนิสัยของของแต่ละบุคคลหรือว่าบางทีกนะ็สอนสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่อาศัยกุศโลบายอาศัยตัวอยา่างนะแตกต่างกันนะ เพื่ออะไรเพื่อให้นะแต่ละบุคคลได้เข้าถึงธรรมะเหมือนกันนั่นแหละคล้ายๆถ้าใครที่ชอบปลูกต้นไม้เนาะถ้าเรารู้จดิตนิสัยของต้นไม้นะในแต่ละชนิดเราก็จะเลือกปลูกกับดินที่มันเหมาะสมกับต้นไม้ชนิดนั้นนะให้ปุย๋ยให้น้ําขนาดไหนมันพอดีต้นไม้ชนิดนี้ก็ชอบแดด หรือเขาชอบร่มนะต้นไม้ชนิดนี้เขาชอบดินแบบดวนสุยหรือดินแบบภูเขานะอันนี้เราก็ต้องเลือกให้มันถูกจนิตนิสัยนะร ด, ดน้ามากน้อยขนาดไหนมันมันจะเดิน ง, งอกงามพอดีหรือว่ามันมากเกินไปชนิดนิสัยของต้นไม้ในแต่ละชนิดก็แตกต่างกันเช่นนั้นนะแต่ละต้นอาจจะสูงอาจจะต่า อาจจะออกดอกออกใบออกผลแตกต่างกันแต่ความสำเร็จก็คือว่าให้แต่ละต้นได้งอกงามตามวิธีที่มันควรจะเป็นไปนะใช่ไหมนักปลูกต้นไม้ที่ฉลาดก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับวิธีการพระพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นนักปลูกต้นไม้ที่ฉลาดเช่นนั้นท่านเลือกดินเลือกปุ๋ยเลือกการดูแลรักษาอย่างดี ทำให้บุคคลต่างๆก็สามารถเข้าถึงธรรมะที่พูทองค์ท่านสอนได้ด้วยวิธีการหรือด้วยอุบายของพระองค์ท่านนะมีแปดหมนสี่พันหัวข้อที่ท่านสอนนะให้เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะแต่ฟังดูแบบนี้นะมันก็ดูเหมือนเหมือนจะยากหรือว่าเหมือนจะมากเหลือเกินไม่รู้เราจะเลือกเอาสิ่งไหนนะเราจะเลือกวิธีไหน ที่มันจะตรงกับจิตนิสัยของเรานะเราก็ต้องกลับมากลับมาดูที่ตัวเราเองนะกลับมาดูที่ตัวเราเองว่าเราประพฤติปฏิบัติเช่นไรแล้วเราปฏิบัติแล้วมันเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวปฏิบัติแล้วเกิดความตื่นตัวขึ้นมานะปฏิบัติแล้วมีมีความสุข นะมีความสงบมีความสบายใจนะแม้อาจจะไม่ใช่ตลอดไม่ใช่ทุกครั้งทุกเวลาแต่รู้สึกทำแล้วมันมันมีความสุขทำแล้วมันทำได้โดยไม่ต้องไม่เบื่อไม่เหนื่อยไม่ท้อนะเหมือนกับเราเราเลือกประกอบอาชีพสักอย่างหนึ่งนะก่อนที่เราจะเลือกประกอบอาชีพสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องดูเราก็ต้องพอจะรู้จัก บ, บ้างนะว่าอาชีพนี้ เขาทำอะไรกันบ้างนะนะมันตรงกับสิ่งที่เราชอบไหมนะก่อนที่จะจะเราจะไปเลือกเรียนหรือก่อนที่จะไปทำงานเนะเราก็ต้องเลือกพอสมควรละหรือแม้แต่บางทีเราเลือกนะจากการได้เห็นจากการได้สัมผัสบ้างนิดหน่อยแต่บางทีอาจจะไม่ตรงจริตนิสัยเราไปลองทำแล้วมันไม่ใชนะ่เราก็ไปหาทำอย่างอื่นต่อที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่นะ ถ้าเราเจอสิ่งที่เราสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบแล้วก็อาจจะทำให้ก็ทาให้ชีวิตที่เหลือลราก็เรียกว่าเราก็มีความสุขกับการทำการทางานตรงนั้นใช่ไหมเออพอเรามีความสุขกับการทำงานตรงนั้นเราก็เกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาอ่ไม่ท้อไม่ถอยแม้อาจจะเหนื่อยบ้างอาจจะลำบากบ้างแต่ก็รู้สึก ม, มีความสุขในการได้แก้ไขปัญหา ม, มีความสุขในการได้พัฒนาตนเองในอาชีพในการงานเช่นนั้นนะแต่นั่นคือเปนเรื่องการงานภายนอกเนาะนะการงานภายนอกถ้าเราเอาศัยงานภายนอกมาเป็นตัวในการนะพัฒนาความรู้ความสามารถภายนอกอันนั้นมันก็ดีเนนะในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเราเอาเอาใส่การงานทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเป็นการเรียนรู้นะ เพื่อกลับมาพัฒนาจิตพัฒนาตนเองเนะี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มันจะเดิญงอกงามทั้งงานภายนอกแล้วก็งานภายในนะอาตมาอยู่างชอบท่านหลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตนะท่านท่านกล่าวไว้ว่าชีวิตเนี้ยมันสิ่งที่ท่านทําทั้งหมดนะนะก็คืองานงานต่างๆที่ท่านทําเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตนี้เพื่องานนะ งานนี้เพื่อทำนะชีวิตทั้งชีวิตที่ท่านอุทิศให้นยะก็เพื่องานงานอะไรงานเ พ, เ, พพเพื่อเพื่อพัฒมเพื่อเผยแพร่ธรรมะหรือเพื่อพุทธศาสนานะถ้าชีวิตของเราเนะเรามีความมุ่งมั่นในการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วงานนั้นก็เป็นงานที่มันมีประโยชน์มันมีคุณค่านะมันก็สามารถที่จะใช้เวลาใช้ชีวิตเนี่ย คุ้มเทไปกับสิ่งที่ที่ทําได้นะอย่างถ้าเราเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีคุณค่านะมันมีคุณค่าทั้งในแง่ตัวเราเองนะมีความสุขมากขึ้นทั้งในแง่การที่ทำให้คนที่อยู่รอบข้างของเรามีความสุขมากขึ้นด้วยนะหรือบางทีเราาจะประสบกับเห็นว่าเออทุกข์ในใจของเรามันน้อยลงหรือทุก จากคนรอกข้างเนี่ยมันก็น้อยลงไปจากการปฏิบัติธรรมของเราเนี่แหละนะมันเรียกว่าเกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ท่านเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายร่วมกันแล้วก็อาศัยนี่แหละอาศัยการงานในการปฏิบัติธรรมเนั่ยแหละนะเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราหรือแม้แต่เราทํางานทางโลกด้วยนะอาจจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอาจารย์เป็นชาวไร่ชาวนาเป็นพ่อค้าแม่ขาย เป็นอะไรก็แล้วแต่นะเราก็อาศัยการงานของเราเนี่ยแหละนะทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ตนนะเกิดการพัฒนาตนเกิดประโยชน์เพื่ออื่นะในการช่วยเหลือผู้อื่นนะหรือเกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือครอบครัวของเราเองแต่การงานทางโลกนะบางทีเราก็จะไปดงกับโลกบางทีทางโลกเขายอมรับเรื่องค o m m i s s i o n เรื่องที่มัน ไม่ผิดศีลผิดธรรมนะแต่อาจจะถูกกฎหมายหรืออาจจะถูกกับค่านิยมนะหรืออาจจะถูกกับนะเรียกว่าระบบของแต่ละแบบนั้นนะมันอาจจะถูกตรงนั้นแต่มันถ้ามันผิดศีลผิดธรรมนะก็ไม่ควรที่จะทํานะนะแน่นอนทําแบบนั้นอาจจะคนอื่นเขาก็ทําทํากันนะไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะมันไม่เป็นอะไรในตรงนี้ แต่ถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะเราทํากรรมเช่นไรก็ต้องได้รับกรรมเช่นนั้นนะกฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะให้ผลตามมานะในภายหลังหรือบางทีก็อาจจะให้ผลทันทีนั่นแหละเราทําแล้วเราก็เกิดความไม่สบายใจนะแล้วก็อาจจะเกิดผลตามมาอีกด้วยอันนี้คือถ้าเราอาศัยอาศัยศีลอาศัยธรรมเป็นตัวกํากับในการทํางานเนี่ย เราก็จะเดินก้าวหน้าในทางจิตใจได้ด้วยนะนะในทางหน้าที่การงานอาจจะจรเดิญหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีระบบนะระบบการราชการก็ดีระบบเศรษฐกิจก็ดีบางทีคนดีก็อาจจะไม่ได้โตนะคนเก่งก็อาจจะไม่ได้แสดงความสามารถนะอะไรต่างๆมันก็มันก็เป็นเรื่องของระบบเป็นเรื่องของพวกพ้องกันไปแต่แน่นอน ถ้าเราสามารถดีได้ภายในนะแม้คนอื่นเขาไม่ยอมรับแต่เราสามารถเคารพหรือวัดักยอมรับตัวเองได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่มีค่านะนะเราสามารถกลับมาทบทวนดูชีวิตของเราแล้วเออเราผิดศีล น, น้อยมากหรือไม่ผิดศีลเลยเนี่ยมันภูมิใจนะทั้งชีวิตเนะที่เราใช้ชีวิตมาเนี่ยมันผิดศีล น, น้อยมากนะ ก็เกิดความภูมิใจนะหรือพอมองย้อนกลับไปและทางชีวิตเนอะเออเราได้ทำสิ่งดีๆมากมายเนาะกับตัวของเราเองก็ดีกับคนรอบข้างกับสิ่งอื่นแยะๆมากมายก็ดีเนี่ยมันก็เกิดความภูมิใจนะนะเกิดความสุขใจนะเนี่ยก็เราก็มีในสมัยพุทธกาลนะก็มีมีพระรูปหนึ่งนะท่านท่านก็ปฏิบัติธรรมนะ ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่เกิดความเจริญก้าวหน้าในธรรมเท่าไหร่นะก็เกิดความท้อแท้ท้อถอยนะก็อืมปฏิบัติมาทั้งปีทั้งชาติแล้วยังไม่เกิดไม่เกิดผลสักทีพอสุดท้ายท่านก็ป่วยหนักนะใกล้จะมรณาภาพนะก็มีครูบาอาจารย์ท่านก็มาแนะนําว่าคือท่านก็คล้ายๆนึกว่าเสียชาติเกิดละนะอุตส่าห์บวชอุตส่าห์มาปฏิบัติแต่ไม่ได้มักไม่ได้ผล นะแต่พอครูบาอาจารย์ท่านก็มาชี้เห็นนะแม้ตอนนี้จิตขถงท่านไม่ได้มักไม่ได้ผลอะไรแต่พอท่านทบทวนดูสินะในขณะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยศีลของท่านนี่บริสุทธิ์หรือเปล่าท่านก็กลับมาทบทวนเออศีลของเรานี่นบริสุทธิ์ดีนะพอท่านกลับมาทบทวนทั้งชีวิตนี่ศีลบริสุทธิ์ดีจิตมันเกิดความเกิดความสุขเกิดความพอใจโอ้อย่างน้อยนะ สินของเราก็บริสุทธิ์เราสะอาดในเรื่องของสินนะจิตใจมีความสุขขึ้นมาจิตตอนนั้นเกิดความสุขจิตก็เกิดสมาธิเกิดความตั้งมั่นนะพอร่างกายจะแตกจะดับจะตายไปท่านก็พิจารณาเห็นเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตตอนนั้นก็หลุดพ้นกนะ่อนที่จะตายไปนิดหนึ่งนะอันนี้ก็แม้ขนาดที่ทำ บางทีมันไม่เห็นผลแต่ทําแล้วนะมันก็สามารถที่จะเห็นผลได้นะ่ะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะต่อเนื่องกันในการที่เราจะเดินสตินะฝึกหัดปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะบางทีทําไปแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นผลเลยนะมันไม่เห็นผลมันไม่เห็นมีความก้าวหน้าไม่เห็นมีความเปลี่ยนแปลงนะแต่ขอให้เราทําไปบ่อยๆเถอะนะกลับมา นะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆเถอะนะกลับมาแล้วเราจะเห็นว่าอืพอทําไปเรื่อยๆนะเนะี่ยมันก็จะเกิดการสะสมขึ้นเรื่อยๆนะเหมันกับเพคายฝนมันตกนะบางทีตกตกต ก, ตกปรอยๆตกไม่มากนักนะแต่จริงต้นไม้นะเขาก็ได้ได้น้ําจากฝนที่ตก น, น้อยๆพื้นแผ่นดินเขาก็สะสมน้ํามากขึ้นเรื่อยๆพอาะฝนตก นะบ่อยๆนะหลายครั้งหลายหนหลายเดือนนะตอนนี้อย่างฝนน้ํายังไม่เข้าสระที่วัดนะเพราะว่าฝนมันยังตกไม่มากพอนะอย่างที่วัดเนี่ยก็หลวงพ่อท่านไม่ให้มีมีท่อนะเพื่อระบายน้ําเข้าวัดโดยตรงนะท่านอาศัยว่าให้ดินให้ดินมันค่อยๆอิ่มน้ํา พอดินอิ่มน้ําแล้วมันจะซึมเข้าไปสู่สระเองนะเหมือนคล้ายๆเอาเอาคันดินเนรอบสระเนี่ยเป็นตัวกรองกรองน้ําดีเข้าไปสู่สระนะนั้นสระน้ําที่วัดเนี่ยก็จะเป็นสระน้ําที่สะอาดปลอดสารพิษนะเพราะว่าไม่ได้อาศัยท่อนะจากนะที่จับน้ําที่มาจากผิวดินเข้ามาสู่สระเลยนะจิตใจของเราก็เหมือนกันนะ ถ้าเราค่อยๆสะสมความรู้เนื้อรู้ตัวสะสมเยไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยมันก็ค่อยๆซึมซับนะก็สู่จิตใจของเราแหล ะ, ะแต่จริงถ้าเราสังเกตโดยดีนะอความเปลี่ยนแปลงในแต่ละขณะเนี่ยมันก็มีนะตอนไหนที่เราหลงไปคิดนะเรากลับมารู้ทันว่าว่าเรากําลังยกมือสร้างจังหวะอยู่เนี่ยจิตมันกลับมาอยู่กับการยกมือสร้างจังหวะนะ จิตมันก็ไม่เผลอไปคิดแล้วใช่ไหมนะตอนไหนที่เราปรุงแต่งไปเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรารู้ทันเรากลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่เนะี่ยเรียกว่าเป็นการตัดการปรุงแต่งของจิตแล้วนะการปรุงแต่งนั่นแหละคือสังขารนนะทำให้เกิดนะเกิดความทุกขนะ์ที่จริงมันก็เป็นเชื้อได้แหละนะคิดบ่อยๆมันก็เคยชินกับการคิดนะหลงบ่อยๆมันก็เคยชินกับการหลงนะ ทุกบ่อยๆก็เหมือนกันนะมันก็เคยชินกับการทุกข์แต่การเคยชินกับความทุกข์ไม่ใช่ว่ามันจะหายทุกข์นะนะมันกับทุก์ได้ง่ายขึ้นนะเหมือนคนบางคนเนี่ยทุกข์ง่ายนะสุขยากนะแต่คนบางคนถ้าเคยฝึกหัดที่จะกลับมากลับมารู้ตัวนะมันก็ออกจากความทุกข์ได้ง่ายบ่อยๆนะถ้าเราฝึกอะไรบ่อยๆนะมันก็จะเป็นความชานาญมันเป็นนิสัย การปฏิบัติธรรมทช่ฉัพูดในแง่หนึ่งก็คือเป็นการมาสร้างนิสัยใหม่ให้กับจดิตนิสัยของเราเนี่ยแหละนะแต่ก่อนเอาจจะมีจริตนิสัยเป็นคนชอบคิดมีจดิตนิสัยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันนะมีจริตนิสัยเป็นคนที่เจ้าโทสะโกรธง่ายนะแต่พอเรามาฝึกบ่อยๆนะเรามาสร้างนิสัยในการรู้ตัวเรามาสร้างนิสัยในการที่ ใจเย็นๆ เ, เรามาสร้างนิสัยในการที่นะกลับมาจากความคิดวนะเนะี้ยมันก็เป็นการสร้างนิสัยใหม่นะคนเรานี่สามารถสร้างนิสัยใหม่ได้นะนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปไปีคอยแบบเราเป็นแบบนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปนะอันนั้นไม่ใช่นะนะเราก็สามารถแก้ไขได้นะเหมือนอยากสมมุติว่ามันมีน้ําเสีย นะมีน้ำเสียนะเราก็เอาศัยน้ำน้ำสะอาดหรือน้ำดีเนะี่ยเทลงไปเรื่อยๆเทลงไปเรื่อยน้ำที่มันเสียนะ่ะมันก็จะสะอาดขึ้นนะเดอะตมาเคยเอาสมมติแก้วน้ำนะแก้วใส่น้ำชานะแก้วใส่น้ำชาแต่เอาแก้วแบบใสใสให้เขาดูนะน้ำในแก้วเนี่ยมันเป็นสีชานะพอเรา แค่เอาขวดน้ำสักขวดสองขวดนี่แหละนะค่อยๆเทลงไปในแก้วน้ำชานะน้ำมันก็จะร้อนออกจากแก้วนะร้อนออกไปเรื่อยๆล้อนไปเรื่อยๆเทไปแค่ขวดสองขวดเนี่ยแก้วน้ำก็กลายเป็นสีใสนสีสะอาดอ่ะนะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำที่มันดีเนะี่ยมันเทเข้าไปใหม่มันไปแทนที่น้ำที่มันเป็นสีชานะมันก็กลายเป็นสีที่สะอาด จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันจิตใจที่มันเคยสกปรกนะเพราะความคิดเพราะความหลงนะเพราะความรักเพราะความชังก็ดีเนะีเราเอาน้ําที่สะอาดเนี่ยเทเข้าไปแทนที่ก็คืออะไรเอาความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยแหละแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปบ่อยๆแทรกเข้าไปบ่อยๆนะจิตมันก็จะสะอาดขึ้นนะจิตมันก็เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้น ความโรธความโกรธความหลงเนี่ยเราไม่ใช่ไปแก้ไขไม่ใช่ไปทำอะไรกับมันเลยนะเราแค่กลับมารู้สึกตัวนี่แหละมาเป็นการแก้ไขนะไม่ใช่เป็นการที่เราต้องไปไปต่อสู้กับความคิดไม่ใช่เป็นการอะไรที่เราต้องไปห้ามความโกรธนะไม่ใช่เป็นการไปแข่งกับความหลงไม่ใช่นะแค่กลับมารู้ตัวแค่กลับมารู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไร แค่นี้แหละเป็นการเรียกว่าสร้างนิสัยใหม่แล้วหรือที่จริงแม้แต่ตอนที่เราหลงไปนะตอนที่เราหลงไปคิดนะถ้าเรารู้ทันอ่ะอันนี้ก็ถูกแล้วนะนะไม่ใช่ว่าผิดนะไม่ใช่ว่าผิดทำไมบางคนปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าเราฟุ้งซ่านมากเหลือเกินนะมันไม่สงบเลยหรือบางทีก็มีความคิดที่ไม่ดีนะคิดอยากจะทำร้ายคนอื่น นะหรือบางทีก็เกิดลาคะเจะดีขึ้นมาในจิตใจนะเกิดอะไรต่างๆที่มันไม่ดีในจิตนะบางคนก็คอยไปตําหนิไปโทษตัวเองว่าทําไมเราคิดได้เช่นนั้นทําไมจิตเราไม่สงบเลยทําไมเราชั่วเหลือเกินนะนี่แต่ที่จริงนะตอนที่เรารู้ทันว่าว่าเราเผลอไปคิดตอนที่เรารู้ทันว่ามันมีมันมีความรู้สึกหรือมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับจิตใจนะ เรารู้ทันมันอะอันนั้นก็ถือว่าถูกแล้วนะะรู้ทันแล้วแต่ครั้นี้เราต้องรู้รทันต่อเวลาเราไปโทษตัวเองเวลาเราไม่ชอบตัวเองหรือเราไปอยากจัดการนะไปจัดการเขาเนี่ยอันนั้นเราหลงไปคิดซ้อนคิดอีกทีหนึ่งนะเราไม่ต้องไปคิดจัดการไม่ต้องไปคิดแก้ไขไม่ต้องไปคิดนะให้ไปละมันนะแค่รู้เฉยๆนะมันละของมันเองนะรู้ แล้วก็ไม่ให้ค่าเมื่อเรารู้แล้วเราไม่ให้ค่ามันนะมันก็จะไปเองเอ้พวกเนี้นะอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจนะจะเป็นความสุขก็ดีเป็นความทุกข์ก็ดีเป็นความคิดก็ดีอะไรต่างๆนะเป็นอารมณ์อะไรต่างๆก็ดีถ้าเรารู้แล้วเราไม่ให้ค่านะเขาก็จะไม่มีที่อยู่เขาก็จะจากไปนะเหมือนคล้ายๆเหมือนมีแขกนะมาที่บ้านเรานะ เราเป็นเจ้าของบ้านถ้าเราไม่ต้อนรับขับสู้เราไม่ให้น้ําไม่ให้อาหารไม่ให้ที่พักเขานะแขกมันมาที่บ้านเจ้าของบ้านไม่สนใจเนี่ยก็เก้อเเขินเขินก็ไม่รู้จะอยู่อย่างไรนะะแขกเขาก็หนีไปเองหนีกันไปเองเหมือนเราเข้าไปร้านอาหารนะเราอยากจะไปซื้ออาหารเนเจ้าของร้านเขาเขาไม่ต้อนรับเราอ่ะเขาไม่ทําอาหารให้เราเขาไม่ต้อนรับไม่หาที่นั่งให้เรา แล้วก็เก้อเก้อคือเขินๆนะเราก็ต้องออกไปไปหาร้านใหม่นะความคิดหรืออารมณ์ก็เหมือนกันนะบางทีเรามันเกิดขึ้นมาแล้ะเราก็แค่รู้มันเฉ ย, ยๆไม่ไปต้อนรับไม่ไปขับสู้มันก็คืออะไรคือการที่เราไม่หลงไปไปปรุงแต่งกับเขาต่ออย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราไม่ไปแบบไปอยากจะไปยุ่งไปจัดการไปผักใส่เขานะ อันนี้ก็เป็นการเราบอกว่าเราไม่ต้อนรับแต่จริงมันเป็นการผักไสการผักไสนี่ก็เป็นการเหมือนคล้ายๆไปต่อล้อต่อเถียงนะไปไปจัดการเขาเนี่ยมันก็ผิดเหมือนกันเราก็เผลอไปคิดไปเผลอไปจัดการเหมือนกันดังนั้นบางทีถ้าบางทีเราปฏิบัติรรมนะไม่ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่นะบางทีก็ก็อาจจะมีความฟุ้งซ่านบ้างในจิตใจมีอารมณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาบ้างในจิตใจ เราก็เพียงแค่รู้ทันมันเฉยเนาะนะรู้ทันมันเฉยเดียอย่าไปอย่าไปปุ่มแต่งกับมันต่อการแค่รู้ทันนั่นก็เป็นการมีสติแล้วพอพอมันรู้ทันแล้วความคิดนั้นมันจะดับไปหรืออารมณ์นั้นมันจะดับไปเราก็จะเห็นว่ากายของเรากำลังทําอะไรอยู่เราก็กลับมารู้รู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอันนี้แหละมันเป็นการรู้ ดูทั้งกายดูทั้งจิตนะประดับกันไปของมันเองนะแต่แน่นอนถ้าเราปฏิบัติโดยวิธีแบบเทคนิคแบบหลงพ่เทียนท่านก็จะเน้นให้เรารู้กายรู้กายเคลื่อนไหวรู้กายหยุดนิ่งนะตวเนี้อาจเป็นหลักนะเราตอนนี้อาจเป็นเป็นเปอร์เซนต์ที่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักไว้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะร้อยเปอร์เซนนะนะถ้าเราเผลอไป เพ่งจ้องไปบังคับจะรู้แต่กายอย่างเดียวร้อเนะมันจะกลายเป็นแทนที่เราจะเดินสติหรือจะเดินวิปัสสนานะมันเป็นกายมันอาจจะพลิกเป็นสมถะเป็นการกดเป็นการข่มเป็นการให้มันจิตมีแค่สมาธิอยู่แต่กับอารมณ์เดียวนะถ้ามันมีสมาธิอยู่กับแค่อารมณ์เดียวนั้นเรียกว่าสมถกรรมฐานนะอารมณ์ในที่นี้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะจะดู แต่จิตใจอย่างเดียวมันก็เป็นสมถะได้เหมือนกันถ้าเราเพ่งจ้องแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือประคองสภาวะใดสภาวะหนึ่งไว้ให้มันอยู่ให้มันแช่ตลอดนั่นก็เป็นสมถะทางนั้นนะอันนั้นเรารู้อะไรก็ได้ให้มันเป็นดักไว้หนึ่งอย่างนะแต่ไม่ใช่ไปรู้ให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นนะแต่รู้ให้เป็นดักไว้เป็นดักเพื่อให้มันได้มีที่กลับมานะ เป็นหลักให้มันได้เกิดการระลึกได้บ่อยๆนะอย่างเราอาศัยการเคลื่อนไหวของกายเป็นหลักก็คือว่าเราเคลื่อนไหวกายอะไรก็ได้แต่เราก็จะได้เกิดความรู้เนื้อดูตัวเมื่อกายมันเคลื่อนไหวแต่บางทีกายเคลื่อนไหวแบบหลงวงพ่อเทียนนะทําเร็วเกินไปก็ไม่ดีนะนะท่านก็ให้มีวิธีมีเทคนิคให้มีจังหวะเคลื่อนมีจังหวะหยุดเหมือนกันนะ ถ้าเราเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนอย่างเดียวเนี่ยแทนที่จิตมันจะมีสติรู้ตัวแต่ละครั้งนะมันกลายเป็นความความสนุกแบบเพอิดเพลินเป็นความเมามันในการเคลื่อนนะมันก็เหมือนไม่ต่างจากการเต้นนะเวลาเราเต้นเราเราเคลื่อนไหวมันก็สนุกนะมันก็มีความสุขแต่ถามว่ามั น, มนรู้ตัวไหมนะมันก็ไม่ค่อยรู้ตัวนะแต่ถ้าเราจะทำเพื่อแก้วความง่วงนะ เพื่อปลุกให้มันตื่นขึ้นมาบ้างนิดเดียหน่อ ย, อ, ยอันนั้นก็ได้นะทําเร็วๆนะทํำแรงๆเพื่อแก้วความง่งวงเพื่อให้มันตื่นขึ้นมาก็ได้นะแต่เทคนิคแบบหลวงพ่อเทียนท่านมีให้มีจังหวะมีจังหวะหยุดด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้มีมสติรู้ตัวแต่ละครั้งนะเคลื่อนก็รู้นะหยุดก็รู้เคลื่อ น, นใหม่ก็รู้ใหม่ตัวสตนะิก็เป็นจิตหนึ่งที่มันมันเกิดการรู้ทีละครั้งทีละขณะนะ ไม่ใช่เอาตัวรู้เนี่ยไปรู้ยาวนะเหมือนเราวาดรูปนะมัไม่ใช่เหมือนเอาดินสอเอาปากกาเอาพวกกันนะแป้มยาวไปเลยนะเป็นเส้นเดียวกันตลอดเราเคลื่อนกี่ท่าก็ลากยาวนะตามท่านั้นไม่ใช่นะมันจะต่างกันในะเทคนิคแบบหลงพระเทียนท่านอาศัยเคลื่อนข้างหนึ่งก็รู้ข้างหนึ่งนะเช่นพลิกมือก็รู้ข้างหนึ่งนะยกมืออีก จังหวะหนึ่งก็รู้อีกจังหวะหนึ่งนะเอามือเข้ามาที่หน้าท้องก็รู้อีกจังหวะหนึ่งนะสิบสี่จังหวะก็อาจจะสิบสี่รู้หรือบางคนขนาดที่เคลื่อนก็รู้ขณาดที่หยุดก็รู้นะนะในหนึ่งรอบหนึ่งท่าเออมันก็ได้ยี่สิบแปดรู้ก็ได้นะหรือบางคนจิตสติมันเร็วขึ้นนะการหายใจกันจะพิมตาหรือความคิดแทรกเข้ามามันก็รู้ได้อีกนะนั่นคือ จิตมันจะรู้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะอันนี้นะเป็นสิ่งเป็นเทคนิคที่สําคัญนะในการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งคือเรามีกายที่เคลื่อนไหวนะมีกายเป็นกรรมฐานหลักนะแต่ไม่ใช่ไปอยู่กับมันร้อยเปอร์ตไม่ใช่ไปบังคับให้จิตอยู่กับกายอย่างเดียวนะเพราะที่จริงถ้าเราอยู่แต่ ก, กายอย่างเดียวก็อาจจะได้ความสุขความสงบ แต่อาจจะไม่ได้เป็นญานะเพราะที่จริงแล้วมันต้องเห็นเห็นอะไรเห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นอัตตาเห็นตัวตนที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจนะกิเลสไม่อยู่ที่กายนะกายมีแต่โรกภัยมีแต่พยาธิแต่กิเลสมันอยู่ที่ใจนะต้องปฏิบัติธรรมแล้วเห็นจิตเห็นใจด้วยนะเห็นความรู้สึกเห็นความนึกคิดเห็น สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตใจนะแต่มันเราเห็นแบบไม่ได้ไปตั้งใจเห็นนะเห็นแบบไม่ได้ไปพยายามไปค้นหาไปเป้ามองนะแต่เราก็เห็นตอนที่มันแทรกเข้ามาขณะที่เราทำสิบสี่จังหวะขณะที่เราเดินจงกลมขณะที่เราทํากิจวัตรต่างๆัลยแหละนะเราเห็นมันแทรกเข้ามาเห็นมันแทรกเข้ามาแล้วก็ไม่ไปให้ค่ามันนะก็แค่รู้นะ รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็กลับมารู้เนื้อตัวกับสิ่งที่ทําเนี่ยเราเห็นแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะมันเป็นการสะสมนะมันเป็นการเจริสตินะควบคู่กันไปนะในสติปัฏฐานทั้งสี่หมวดนะกายวิทยาจิตธรรมเนี่ยที่จริงถ้าเราฝึกไปเรื่อยนะสติมันถ้าสติมันเป็นอัตโนมัติสติเป็นธรรมชาติมันมันเลือกของมันเองนะมันจะดูอะไรมันเลือกของมันเองนะ กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันตลอดเวลานะเรามีกายที่ยืนเดินนั่ ง, น, งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวเนี่ยก็เป็นพื้นฐานเวทนาไม่ว่าจะเป็นความสุขจะเป็นความทุกข์หรือความกลางๆความเฉยๆเนี่ยก็มีตลอดเวลาด้านใดด้านหนึ่งจิตก็เหมือนกันถ้ามันไม่ปกติมันก็ผิดปกติไปเป็นความคิดเป็นความโลภ ค, ความโกรธความหลงมันก็มีแบบนี้เป็นพื้นฐานอยู่ตลอดไปนะ อ่สาภาวะธรรมก็เหมือนกันกุศลนัธรรมก็ดีอกุศลนธรรมก็ดีธรรมที่เป็นกลางกลางก็ดีมีตลอดนะมีตลอดแล้วแต่ว่าสติมันจะเข้าไปรู้ไปเห็นอะไรของมันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าสติมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นธรรมชาตินะมันก็จะเกิดสติของมันเองนะโดยที่เราไม่ได้เลือกนะแต่ใหม่ๆแล้วก็ใส่รูปแบบนั่นแหละเป็นตัวเป็นให้มันได้เลือกตอนนี้ เป็นดักไวนะ้แต่อย่าไปเพ่งไปจ้องไปบังคับมันนะให้ทําเพียงแค่เป็นเครื่องได้รูร้นะอะไรเกิดขึ้นมาในกายในใจนี้เราก็รู้นะรู้แล้วเห็นรู้แล้วไม่เข้าไปเป็นนะแค่เห็นมันเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นให้มีสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะอันนี้ดักสําคัญเลยนะนะอย่างกายคือสิ่งที่ถูกจิตใจคอยรับรู้ กายเคลื่อนเนะี่ยใจรู้นะใจคิดก็มีอีกใจหนึ่งที่คอยรู้อีกทันอีกทีหนึ่งนะมันมีสิ่งที่ที่ถูกรู้กับสิ่งที่รู้นะทำแบบเนี้ยมันถึงจะเกิดการแยกแยะนะเกิดวิปั า, านาญาณนะแยกรูปแยกนามขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเราแนบทั้งสองสิ่งอยู่ด้วยกันนะ จิตมันไม่เกิดการรู้ตัวขึ้นมามันก็ไม่เกิดการแยกแยะไม่เกิดการถอดถอนไม่สามารถแยกธาตุไม่สามารถแยกขันไม่สามารถเกิดปัญญาได้อันนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะถ้าเราเอาจิตไปผูกไว้ไปแนบไว้กับสิ่งหนึ่งเนี่ยทำได้อย่างมากก็แค่สมถะเกิดความสุขเกิดความสงบถ้าไม่มีใครมาแนะนำให้เจเดินปัญญาต่อนะก็ติดแค่ความสุขความสงบแค่นั้นแต่เราเจะเดินสะติเป็นหลักแบบนี้น เราอาศัยการการรู้ตัวแบบมีสิ่งที่ถูกรู้กับสิ่งที่รู้นะจิตที่มีสติเป็นตัวคอยรู้ทุกอย่างนะรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนะี่ยสติทําหน้าที่ในการรู้ตรงนี้ไปเรื่อยเนาะก็ขอให้พวกเราทุกท่านได้ได้ทําความเพียรตรงนี้นะดั่งกับน้ําฝนที่มันตกมาเรื่อยๆนะฝนตกมาบ่อยๆก็เกิดความชุ่มช่า เราทำความเพียร น, นะมีสติก็เกิดความชุ่มชำในจิตใจจะต้องเข้าถึงนะมรรคผลนิพพานได้กันทุกคนทุกท่านโดยเทอเ